เทียบการมาสุขตามไว้เพื่อให้เร่งพัฒนาความสุขจะได้มีสุขที่เลือกได้และก้าวขึ้นไปให้ถึงสุขที่สูงสุดเมื่อมีความสุขที่ประนีตกว่าเข้ามาเทียบก็ยอมเป็นธรรมดาที่กามาสุขจะตกต่ำมีค่าน้อยดังคมที่ท่านใช้เรียกการมาสุขโดยเปรียบเทียบกับฌานสุขว่าการมาสุขเป็นปุถุชนสุข คือสุขของปุถุชนเป็นมิรหัสุขคือสุขเลอะเทอะหรือสุขหมักหมมเป็นอนาริยสุขสุขของผู้ยังไม่เป็นอาริยะพร้อมทั้งบรรยายโทษว่าเป็นสิ่งที่มีทุกข์มีความอึดอัดค่องขัดคับแขนแล้วเร่าร้อนเป็นมิจฉาปฏิปทาคือทางดำเนินที่ผิดทั้งนี้ ตรงข้ามกับชาณสุขหรือสุขด้านในหรืออชัตตสุขซึ่งเป็นเนฆามะสุขสุขปลอดจากการเป็นปวิเวกสุขสุขยิงความสงัดเป็นอุปัสุมาสุขสุขที่ช่วยให้เกิดความสงบหรือช่วยให้บรรลุนิพพานเป็นสัมโพทิสุขสุขที่ช่วยให้ตรัสรู้ และมีลักษณะที่เป็นคุณคือเป็นสิ่งที่ไม่มีทุกข์ไม่มีความอึดอัดขัดข้องคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนและเป็นสัมมาปฏิปทาคือทางดำเนินหรือข้อปฏิบัติที่ถูกต้องซึ่งจะทำไปสู่ความเป็นอิสระหลุดพ้นหรือนิพพานสำหรับความจริงความสุขด้านในคืออัชาตสุข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 ในแง่หนึ่งอาจจะมองว่าท่านพยายามชี้ให้เห็นความจริงตามสภาวะที่มันเป็นอยู่นั่นเองแต่ใจปุทุชนมีกิเลสลุ่มหลงมันอยู่จึงเห็นเป็นว่าท่านว่ารุนแรงอีกแง่หนึ่งมองได้ว่าในการเปรียบเทียบกันนั้นเมื่อการมาสุขที่คนนิยมกันอยู่ท่านยังว่าต่ำด้อยค่าถึงเพียงนี้ ย่อมเป็นการเชิดชูสุขอย่างพระนีตที่ท่านนำมาวางเทียบให้เห็นสูงเด่นชัดเจนยิ่งขึ้นแต่แง่ที่ควรมองก็คือเพราะเหตุที่กรรมสุขเป็นบวงรัดหรือเป็นกับดักที่เหนียวแน่นคนทั้งหลายลุ่มหลงกันนักยากที่จะปลีกตัวออกได้ท่านจึงระดมตีการมาสุขให้หนักพร้อมกับยกย่องแสดงคุณของสุขที่พระนีตขึ้นไปเพื่อเป็นการเร่งร้าชักชวน ให้คนพากันขมีขมันปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่พระนีตนั้นโดยไม่นิ่งนอนใจเลยอันหนึ่งในทางปฏิบัติก็มีใช่ว่าทัานทีบรรลุสุขพระณีตแล้วจะละทิ้งเลิกราจากการมาสุขทันทีเสมอไปหลายท่านก็ยังดำเนินชีวิตโดยเสพสวยสุขควบกันไปทั้งสองอย่างหรือทั้งสองระดับ ในกรณีนี้ก็เท่ากับว่าท่านที่บรรลุ ค, ความสุขประณีตอย่างสูงแล้วมีทางเลือกในการสวยสุขมากขึ้นเป็นผู้ได้กำไรหรือได้เปรียบในเรื่องความสุขเหนือกว่าคนทั่วไปรวมความแล้วจุดมุ่งของท่านอยู่ที่ต้องการให้ไม่ประมาทและให้ตระหนักว่าถึงอย่างไรอย่างไรไม่ว่าจะละเลิกการมาสุขหรือไม่ก็ตาม แต่สิ่งสำคัญที่จะทำก็คือจะต้องพยายามทำความสุขที่พระนีรให้เกิดขึ้นกับตนให้ได้หรือจะต้องหาทางรู้จักมันให้ประสบมันประจักษ์กับตัวบ้างให้ได้และพัฒนาสุขที่สูงขึ้นไปจนถึงความสุขที่สูงสุด